ฟังตาม ไม่ต้องๆเพื่อสะดวกในตอนศึกษาปฏิบัติเลยๆมากมายเข้าไม่ถึง อีกอะไรอยู่เยอะแยะเต็มหมดถ้าเรา 80,000 กิเลส 10,000 ตัณหา 108 แต่เป็นเรื่อง แต่ถ้าเรามาย่อให้น้อยลงเพียงกรรมไม่ มีหลายอะไรต่างโอ้มันมากโดยหมดศรัทธาญาติกับสถารแพทย์พอ ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงทําอะไรไม่ๆก็ได้เลยเอาน้อยๆก็ ก็ได้ทําไปปฏิบัติธรรมใจให้ปกติปกติที่สุดก็ได้บรรลุพระอรหันตผลเออมันทํา ตัถวะเห็นกายสวะกายมันแสดงอาการต่างๆจะ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 แล้งอะไรต่างๆโอ้คงประมาณไปก่อนอันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้า ไม่โลเออถ้าเรารู้แล้วปัดเข้ามามารู้สึกตัวอาลัยมันผิดก็รู้สึกตัวมันโถก็รู้สึกตัวเรารู้สึกตัวอยู่ที่ใดใช่มันแต่ใช่ความรู้สึกตัวอยู่ที่กายก็ใช่กายให้มันเกิดความรู้สึกตัว รู้ 6 ตัวพอที่ลมหายใจก็รู้ 6 ตัวชีวิตเราทั้งหมดมีแต่ลมเอาไปมามี มันเราทําจับ 2 ว, 3 นิ้วพอเหนื่อยเจ็บมือทําไป 10 นิ้วจริง 5 นิ้วขวา 5 นิ้วกลม ตกตกเกียมันพับมันกระทบมันตกตกเป๊กๆมันไม่แน่มันเราถอนยาแฝกถอน <c oughs> เราไปถึงรูปเครื่องลงการถึงรูปเครื่องลงมันยากแต่เข้าไปถึงความรู้จริงๆมันไม่ยากพอมันก็มีมันเป็นความถูกต้อง มันไม่อะไรก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยถ้าจะไม่ไม่รู้ก็เปลี่ยนเป็นตัวรู้ พออยู่ตรงไหนก็คือก็รู้สึกตัวมันไม่เหมือนอย่างอื่นภาษาศีลนึงก็ไม่อยู่รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลอันนี้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 ตัวไปตัวมามันไม่อยู่ตัวตรงไหนมันไม่อยู่ที่จิตใจไม่อยู่ที่สุขทุชชังอยู่ของมันเอง อย่าไปหัวซามันคําพูดภาษาอีสานอย่าไปหัวซาจะเปิดปัญหาตามไปนิดหน่อยก็ <c oughs> ภาวะให้เป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราเจริญเสถียรเก่งไม่มีอุปสรรคผมปวดผมมวดไม่มีอุปสรรคเป็น ไม่ใช่ให้มันติดอยู่มันเล็งติดตังค์ไปไม่ได้ตัวรู้จริงๆมันไม่ จึงจะเป็นนักปฏิบัติจึงจะเป็นนักกำปันถาจึงจะเป็นนักภาวนาจึงจะได้เหยียบย่ําความโลภความโกรธความหลงเหยียบย่ําความเห็นเชิงโทษแหลกหลานไปเลยเหยียบย่ําสุขทุกข์ให้แหลกหลาน เนี่ยว่าพยอขาววจอกมันลุยได้ลุยมาแล้วหนลดไปบักมันลุยมาแล้วพอทําให้มันเกิดการลุยได้ แต่ถ้าถอดรองเท้าลุยมันก็มันก็เก่งได้มันก็เก่งได้มันพัฒนาตัวมันเหมือนเด็กตอน 2 หมายอ่านนอนได้นี่พอมาก็คานเจาะๆแก่ๆพูดตอออ พร้อมรู้สึกตัวเรานี่แหละมันไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนไม่ให้แต่สิ่งเวรล้อมดี 900, 900 บาท และแม้ท้องก็อยู่ด้วยกันหลวงพ่อก็เห็น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 ปัญหาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแก้ปัญหาที่นั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเทศน์เพราะมนต์ มันก็มีเท่านี้ก็มีเท่านั้นเออวันนี้แล้วที่เราเห็นอาการต่าง มันก่อตัวขึ้นตรงนี้หรือว่าหลวงพ่อประโยคติ 2 คืนน่ะพออยากรู้ว่ามันมันสกปปกติมันมีอะไรมากองไว้พอดู pornote ภาพอะไรต่างๆก็อยากดูอะไร มันลงมาเป็นแท้มันคาบมันคาบว่ะขยะอะไรไม่รู้ อ่ะสาโมกันไปผลประเทศละทางเราก็เลิกกันอ่าขั้นที่ <c oughs> ไม่ต้องมันการอะไรที่มันเกิดกับถูกเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องถูกเป็น มันนั่นไปไม่ได้ยังไงหรอกถ้าเท่าว่ารู้อยู่วันตัวนั้นเห็นมันสุขเห็นมันทุกข์เออเห็นมันดีเห็นมันไม่ดีเออนะแล้วค่อยๆออกไปสักหน่อย แล้วก็ดูมีสติเอาไปเอามาผม มันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดจอกออกผลแล้วเป็นทุกข์ก็ขาดแล้วต้องเห็นมันถ้าเห็นนี่มันบ่แล้วมันแก่ตรง มันโทเกิดมันโทแล้วมันแก่แล้วมันแก่ตรงนั้นไม่ใช่กาลเวลาที่ทําให้แก่มันเป็นตัวปฏิบัติเป็น och när man lovar dem, ge och jag, då är han. Det ger och jag, vad kan jag lovkomma? Jag har varit hit för att jag har på honom. Man Har jag gått honom då är jag. Jag att kommit แต่ถ้าความทนใช่ไม่มีความรู้สึกตัวมันเจ็บ ที่ปฏิบัตินะผมจริงๆแท้ที่เรามาทําอยู่นั้นผมก็เปิดเปิดตัวตัวเองเปิดเผยตัวเองความรู้สึกตัวพา ต่อไปภาวะที่รู้สึกตัวกายเป็นตัวดูเป็นตาไปเลยมาสมมารับดวงตาเพื่อมาดูแลตัวเองดู วิเศษเพื่อครอบรุจิตัวนี้เป็นธรรมที่ความหลงมันนำความผิดมันนำความ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่มีคําพูดแบบนี้หรอกนักปฏิบัติทําดูก่อนทําดูก่อน ทำไมนี่ถ้าว่าไม่ไหวก็จะไม่ได้ถ้าว่าแย่ก็จะไม่แม่น่ะ บนโลกกันก็เห็นสุขก็เห็นมันเพิดก็อืมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดตัวเรานอก มันตะรองห่มร้องไห้เสียใจอืมเป็นไงเนาะอืมผมเพียงจะได้อย่าง เป็นทางโล่งพอเป็นทางก็โล่งเปลี่ยวไม่มีรถสักคันไปคนเดียวจริง เมื่อแต่ละมันในทางไม่พบทางเลยตันอะไรบัดมืดแดดด้านไม่รู้ใจ สรรให้เจ็บโหกขั้น 7 คําว่าไม่ไหวแล้วคําว่าแย่เจ็บแล้วครอบแล้วคําว่าเอ้อไม่มีอะไรครอบได้ให้ สบคักสร้างเสียงมืดแล้วหยังรถน้ำมันก็ดีอ่ะรถน้ำ มองการการเจริญสติต้องสร้างสิ่งเวรล้อมให้เจ่ตัวเราถ้าสิ่งเวรล้อมไม่ดีเราก็สร้างเอา บุกเบิกไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนประพิจจะถูกให้เป็นได๋เนาะรู้สึกตัวรู้สึกตัวยกมือขึ้นรู้สึกตัวใช้ได้แล้วพลิก มันมีเหมือนกันนะมีมันกันน่ะเป็นกุศลก็โอ้ฉลาด 20 ปี 30 ปี 10 10 ปีเอา คิดแล้วเกิดกามราคะมันตุ่มอะไรมามันฟื้นขึ้นมามันเอาไปรับเชื่อเชื่อ เห็นได้ต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวเข้ามาเห็นนั่นเห็นเห็นกุศลเห็นเห็นธรรมที่เป็นอกุศลอกุศลคือโลภะโทสะโมหะกุศลคืออโลภะอโทสะโมหะ อโลภะคือไม่โลภอโทสะคือไม่โกรธอโมหะคือไม่หลงมันก็ยางลบใช่ทัน เขาว่าเขารู้นะเขารู้นะเอาไว้ของเขาแต่ว่าเราจะรู้ ยาโลดเป็นหลังก็ไม่เหมือนกันโลไปโอ้นี่มันผ่านมาผ่านมาผ่านมาแล้วเราจะ ถ้าเห็นความผิดก็ติดอยู่ในความผิดและความถูกก็ติดอยู่ในความถูกถ้า ชีกแล้วเป็นมันทุกข์ก็ไม่มีโกรธชีกแล้วนี่คือปฏิบัติองค์มัจจังบริสุทธิ์เห็นแล้วบริสุทธิ์อ้านี่ตัวองค์มัจจังไม่ใช่ไปสํารวม เจริญตรงนั้นองค์พระๆไปถ้าเป็นแล้วไม่ได้ไปไหนนะยัง โลกของเราโลกภาวะที่ดู เป็นชอบเป็นการกระทํา